สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิสยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่289คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่64ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้จบลงที่องค์ที่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ไปจัดการกับปัญหาเรื่องของความบาปเราก็ไม่มีความปรับปลื้ม เราไม่มีความชื่นชมยินดีเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ได้รับการปลดปล่อยและเราไม่ได้รับความปรับปรืมยินดีตามที่เราสแสวงหาเพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ให้อภัยกับคนบางคนหรือใครบางคนนั่นเองเพียงครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้มิโน้งได้มีโอกาสดูในภาคกมภีหลายๆตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเราต้องยกโทษให้กับคนอื่นก่อน ในพระธรรมลูกาบทที่หกข้อสามสิบแปดลูกาบทที่หกข้อสาสิบแปดพระเยซูตรัสว่าจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยเพราะว่าคุณจะตวงให้เขาด้วยธนานอันใดพระเจ้าจะได้ตวงให้คุณด้วยธนานอันนั้นพี่น้องครับชาวยิวนั้นรู้เรื่องนี้ดีครับในปีประมาณคอสสองร้อยเนี่ยพวกเขามีบทความอันหนึ่งนะครับเขาเขียนอย่างนี้ครับว่าการยกโทษให้แก่เพื่อนบ้านที่กระทําผิดต่อท่าน หมายความว่าเมื่อท่านอธิษฐานความบาปของท่านจะได้รับการอาภัยด้วยน้องครับเห็นไหมครับชาวยิวรู้เรื่องนี้ครับการยกโทษให้แก่เพื่อนบ้านหมายความว่าเมื่อเราอาธิษฐานความบาปของเราก็จะได้รับการอาภัยในหนังสือเทวมุดนะครับซึ่งเป็นหนังสืออธิบายพระคัมภีร์เดิมของพวกธรรมจารทั้งหลายของคนยิวทวมุดนะครับเป็นอธิบาย อาธิบายพระคัมภีร์เดิมกล่าวอย่างนี้ครับว่าผู้ที่อภัยความผิดของคนอื่นเขาเองจะได้รับการความเมตตาปราณีจากพระเจ้าผู้ที่อภัยความผิดของคนอื่นเขาเองนั้นจะได้รับความเมตตาปราณีจากพระเจ้าองค์ผู้ผู้พิพากษาสูงสุดครับใครก็ตามที่ให้อภัยความผิดคนอื่นตัวเขาจะได้รับความเมตตาจากองค์ผู้ผู้พิพากษาสูงสุด พี่น้องครับหันกลับมาดูชีวิตของพวกเราเราได้ให้อภัยหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ให้อภัยพระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยแก่เราเช่นเดียวกันเราจะดําเนินชีวิตไปด้วยเท้าที่เปื้อนโคลนแม้ว่าเราได้รับการชําระในเชิงสารเราได้รับการอภัยโทษในเชิงสารแล้วได้รับเอาความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาอยู่ในตัวของเราก็ตามแต่หลายคนขาดความชื่นชมยินดีในการดําเนินชีวิตแต่ละวันครับ หลายคนนั้นอยู่ในการชำระให้บริสุทธิ์อยู่ในข บ, บวนการเนี่ยแต่ไม่มีความชื่นชมยินดีเลยนะครับเพราะเหตุที่อะไรครับเพราะว่าความสัมพันธ์ครับในเชิงความสัมพันธ์แล้วเราไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่นเพราะเหตุฉะนั้นการชำระให้บริสุทธิ์ในชีวิตของเรานั้นจึงไม่เกิดเมื่อการชำระให้บริสุทธิ์ในชีวิตของเราไม่เกิดเราก็ไม่มีความชื่นชมยินดีครับไม่ว่าเราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขนาดไหน เราจะมีความรู้พระคัมภีร์มากขนาดไหนแต่เราไม่ได้รับการชำระบริสุทธิ์เพราะเหตุที่ว่ายังมีความบาปลงเหลืออยู่ในชีวิตของเราและความบาปที่ยิ่งใหญ่นั้นที่ทําให้เราไม่ได้รับการชำระบริสุทธิ์นั้นก็คือเราไม่ได้ให้อาภัยคนอื่นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรานั้นเต็มไปด้วยความคุนข้องหมองใจนะครับเราเต็มไปด้วยรากขมคืนชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยปมนะครับ ปมในอดีตเราจะจัดการกับความขุ่นข้องมองใจจัดการกับปมในอดีตต่างๆเหล่านั้นจัดการกับรากแห่งความขมขื่นเหล่านั้นได้อย่างไรเพรียงครับผมขออนุญาตแนะนำสามประกาศนะครับซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติสามประการนี้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากครับสามแนวทางนี้เป็นสามแนวทางที่เราจะต้องถือปฏิบัติเพื่อที่เราจะหลุดออกจากการผูกมัดของอํานาจมืด วิญญาณชั่วที่เกิดขึ้นโดยใช้ความบาปนะครับเกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยใช้ความบาปนั้นมาผูกเราโดยการที่เรานั้นไม่รับการปลดปล่อยโดยการที่เรานั้นมีปมอยู่ในชีวิตของเรามากมายโดยการที่เรานั้นมีรากขมขื่นมีความคับข้องขุนเคืองใจมีความโกรธอยู่ลึกๆซึ่งเป็นบาดแผลที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของพวกเราสาประการนี้ได้แก่ ประการแรกครับเราจะต้องถือว่าความขุ่นข้องหมองใจนั้นเป็นความผิดบาปปมต่างๆที่เรามีอยู่รากขมขืนที่เรามีอยู่นั้นเป็นความผิดบาปที่เราจะต้องสารภาพกับพระเจ้าเราฉะนั้นเหตุฉะนั้นเราจะต้องกลับใจเสียใหม่ครับนะครับและขอพระเจ้าหยิบยกออกจากชีวิตของเราและลืมนะครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าครับนี่เป็นประการแรก ผมขออนุญาตทบทวนนะครับประการแรกก็คือว่าเราต้องถือว่าความขุ่นข้องหมองใจนั้นเป็นความผิดบาปที่เราจะต้องสารภาพกับพระเจ้าต้องจัดการมันครับความการเกิดปมในชีวิตของเรานะครับการเกิดรากขมขื่นในชีวิตของเราจะต้องรับการจัดการจากพระเจ้า ด้วยการสารภาพบาปที่เราจะต้องสารภาพและกลับใจเสียใหม่แล้วลืมสิ่งที่ผ่านพน้นมาแล้วเสียขอพระเจ้าหยิบยกสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราขอพระเจ้าปลดปล่อยเราให้ออกจากปมต่างๆเหล่านี้รากต่างๆเหล่านี้ความขับข้องหมองใจความโกรธความเกลียดต่างๆเหล่านี้ประการที่สองครับเราจะต้องลุกขึ้นนะครับเดินไปหาคนคนนั้นเพื่อที่จะบอกกับเขาว่าขออภัย ขอโทษด้วยที่ผมเคยทำอย่างนั้นพี่นงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดครับเพราะเหตุที่ว่าผมกล่าวไปแล้วผมพูดไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าตาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพที่เราสร้างไว้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบารมีที่เราสะสมไว้ทำให้หลายหลายคนนั้นไม่สามารถเดินเข้าไปหาคนอื่นและบอกกับคนอื่นว่าผมขออภยัยผมขอโทษผมทาผิดไปแล้ว ขอให้คุณโปรดอภัยโทษหรือโปรดอภัยให้กับผมด้วยพี่น้องครับเราต้องเอาชนะสิ่งต่างเหล่านี้ครับลุกขึ้นไปหาคนคนนั้นและบอกกับเขาถ้าพี่น้องทำอย่างนี้เราจะได้รับความปราบเพิ่มยินดีกลับมาทันทีเลยครับพี่น้องนี่คือประสบการณ์ข้าพเจ้านี่คือประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับการอภัยโทษบาปเพราะเหตุที่เราให้อภัยคนอื่นเราขอโทษคนอื่นครับเราจะต้องออกไปหาเขา และบอกกับเขาว่าผมดิฉันอยากจะให้อภัยแก่คุณหรือขอให้คุณอภัยแก่ผมและดิฉันเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่คือประการที่สองครับเป็นข้อแนะนำที่มีคุณค่ามากทีเดียวนะครับประการที่สามครับเราจะต้องให้สิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งแก่คนคนนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นครับพระเยซูตรัสไวในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อยี่สบเ็ พสุตตัดว่าทรัพสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยพี่นะครับการที่เราจะไปขอโทษนะครับการที่เราจะไปผูกมิตรการที่เราจะไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งที่มีคุณค่าบางอย่างครับที่เราจะให้แก่กันและกันนะครับเราอาจจะมีของขวัญเล็กๆนะครับสักชิ้นหนึ่ง ไปเพื่อที่จะเป็นการขอโทษไปเพื่อที่จะเป็นการให้เขาได้อภัยโทษกับเราหรือแม้กระทั่งเราไปเพื่อที่จะไปให้อภัยกับคนนั้นนะครับเราอาจจะต้องเตรียมของขวัญนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําตามพระกรมพีครับก็คือทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านอยู่ที่นั่นด้วยทรัพย์สมบัตินั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของเงินทองอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเรา สิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราเราให้ออกไปครับใจของเราก็จะอยู่ที่นั่นพี่น้องครับถ้าเราอธิษฐานเผื่อเวลาของเรานั้นมีคุณค่าครับสําหรับเราใช่ไหมครับแล้วคุกเข่าอธิษฐานเผื่อเขาเขาเองนั้นก็ได้รับสิ่งที่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าเลยของขวัญที่มีค่านะครับมากนะครับไม่ใช่เงินทองครับแต่เป็นคำอธิษฐานบอกกับเขาครับว่าผม จะขออนุญาตอธิษฐานเผื่อคุณทุกวั น, ท, วนทุกวันได้หรือไม่ขอพระเจ้าได้ช่วยเรานะครับหลักปฏิบัติสารประการนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญผมขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งหลักประการแรกที่เราจะจัดการกับความกลุ่มข้องหมองใจนั้นก็คือเราต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความผิดบาปที่เราจะต้องสารภาพกับพระเจ้าเราจะต้องกลับใจเสียใหม่และขอพระเจ้าหยิบยกออกจากชีวิตของเราการขุนเคืองใจปมต่างๆ หรือรากขมขื่นต่างๆต้องขอพระเจ้าหยิบยกออกไปครับประการที่สองก็ก็คือหลักปฏิบัติต้องเดินไปหาคนงานลุกขึ้นครับและบอกกับเขาครับว่าผมขอโทษที่ผมได้ทําผิดต่อกุนและบอกกับเขาครับว่าขอให้อภัยกับผมได้ไหมนะครับประการสุดท้ายครับก็คืออธิษฐานเผื่อมอบสิ่งที่มีคุณค่าเวลาของท่านให้กับเขาใช้ชีวิต มีความสัมพันธ์กับเขาครับพี่น้องครับเมื่อทำอย่างนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงครับพระเจ้าจะช่วยเราให้เราก้าวข้ามก้ามก้าวข้ามความรู้สึกที่เป็นบมที่เป็นรากขมขืนที่เป็นประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดีไม่ถูกต้องกลับเข้ามาสู่ความชื่นชมินดีขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในเช้าวนันนี้อาเมน